ที่เรากำลังทำอยู่ขณะ น, นี้มันเป็นการเกิดชีวิตก็อให้อยู่ในเส้นทางนิพภาพของชีวิตแล้วก็เป็นผลดีอันหนึ่งที่จะมุดท้าโลกเขาให้พรปีใหม่ัปอันนี้เ อ, อิปีนี้ทางก น, นกโมกก็ได้ กระตัดีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตใหม่ก่อนรับปีใหม่ของปี2527อาจารย์ไดโค้ชว่า <c oughs> เส้นทางของมิสภาพของปีวิตนมันเป็นเส้นทางที่ราดเรียกไม่มีการสะบุกไม่มีหลงไม่มีบอกชีวิตของคนเรา ถ้าเรามีสติปัญญาดังที่ว่านี้่ันก็เท่ากับว่านิสพัฒนของชีวิตมันทําให้ไม่มีหลงไม่มีบอกชีวิตของเราก็เรียงง่ายที่นีการเกิดสตารชีวิตของเราเพื่อให้ขึ้นสู่นิสพัฒนก็คือเรามากําหนดให้มีระติอยู่กับเรบทที่เราได้กาหนดได้สร้างโลกแบบ มีกติดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันพิดนิกให้รู้เท่ารู้ชันมันกายที่เราเคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่อริบทจ่กจาบสักกอดการจ้างจังหวะการเดินปังกลมเป็นอริบทที่ยาเพื่อเป็นการคุยทางของชีวิตเพื่อให้มันได้ประสบพบเห็น ตะเสติแอะไระส้สัมผัสตะเพอสติจริงๆสติถ้าเราพูดตามตามที่เราจะต้องได้สัมผัสถ้าเราพูดว่าสติความลึกได้สำหชัญญะความรูปตัวอันนี้ใครก็ว่าได้เด็เกๆก็ว่าได้มันเป็นมันเป็นภาษา ไม่เลยสัมผัสการให้มันเป็นกติปัฏฐานมันต้องกําหนดได้ติดจับได้สัมผัสตัวสติขณะที่เรากําหนดเอามือเอากติไปดูกายเคลื่อนไหวให้รู้ให้สัมผัสอยู่กับสติอาศัยตายเป็นที่ตัวเพราะสติมันไม่มีตัวมีตน ไม่เป็นริ่นเป็นก้อนจึงอาศายตายเป็นที่สุดมันเป็นคนมันเป็นนามธรรมมันตัวสติก็จะมาสายตายเป็นที่สุดผู้ที่ฝึกหัดสติผู้ที่จะเรินสติก็ต้องมาอยู่ในนี้ให้้างจังหวะให้เดินจนกลมเคลื่อนไหวไปมามีสติรู้ถ ให้เห็นกายเคลื่อนไหวตัวเห็นกายเคลื่อนไหวนะคือตัวสติไม่ใช่ตาเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตาเป็นตัวเห็นให้ไอายสติเป็นผู้เห็นให้รู้ที่นี่วิธีที่จะให้รู้ให้เห็นกายเคลื่อนไหวบางคนก็ทําไม่ถูกแต่ใจให้มันอยู่เลยนั้นก็นไม่ถูกเรียงแต่รู้ ให้รูว่ามันเคลื่อนไหวไปมาแล้วไปขี้พอไปกี้แบบังพแบบับให้มันคุดเลยดัง น, นั้นไม่ผูกมันจะกลายเป็นสรรมชักมันจะสงบมันจะเด่นนิ่งควรหงายง่วงควรให้กุง้งก่านเคนให้เรีนมาควรให้อุดตัขัดเทืองที่รแรกก็ต้องทำเบาๆเพื่งจะให้กำหนดรู้ เป็นจังหวะเป็นจังหวะหลังที่เราสร้างจังหวะสร้เป็นจังหวะขณะที่กระเทงมือขึ้นให้รู้สึกยกมือนี้ไปรู้สึกเนจังหวะเอามาที่กะดูกกระดูกยกมาที่หน้าอกให้รู้สกยกออกไปให้รูกวางลงไม่ลงให้รู้กบมลงรู้สึกเป็นจังหวะจังหวะไป ดื้อี้ไปเลยแค่มันอยู่น่งเน่งอยู่เนงน่งอย่นั้นไม่ถู <c oughs> มันจะเป็นการเพ่งมันหนักสำหรับผู้ทักนี่มันมันเป็นหนักนะเราไปเพ่งดื้กี่านั้นมันจหนก็ทาให้เวียนหน่ายไม่อยากทันตอนเกี่ยวนิพธีที่เราฝึกใหม่ๆให้มันเป็จนจังหวะเป็จนจังหวะ มันทำหน้าที่เป็นจังหะให้มันเห็นมันเห็นมันลู่มันรู่สึกมันลู้สุกอารมณ์นี่เป็นเรืองต้นจนกว่าเมื่อเราทําบ่อยๆมีสติเข้าไปเห็นกายเคลื่อนไหลบ่อยดมันจะเข้าใจมันจะลู่แย่งมันจะเห็นลู่เห็นนามเป็นลู่ธรรมนามธรรม ดังที่พูดได้ฟังมังกรเนื้อลูกก็ไปกายอั้งหล่อนนามก็คือตัวจิตใจมันอาศัยกันอยู่ทั้ทงลกูกทั้งนามมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันถ้าเราไม่เห็นในลูกมันมันจะไม่มีความเข้าใจใเรื่องต้นการที่เราได้เห็อนอารมณ์ลูกนะก็เหมือนกับเรามีที่ทักท เหมือนกต่ว่าเรากล่จะ่านมีราวจับโอกาสที่จะมันจะพัดตกลงในสูตรที่ต่ำนันก็มีการได้อารมณ์รู้นะี่ต้องให้มันเห็นต้องให้มันได้อารมณการเจริญสติปัฏฐานมันมีอารมณ์รเรียกว่านนอารมณ์วิปัสสนามันรู้มันพ้นภาวะเก่ามันเห็นที่ มันเกิหลักมันได้หลักมันได้หลักได้่ายเรือประมาณอันหนึ่งก็เหมือนกับเรานั่งรถโดยสารที่ได้เก้าอี้นั่งมีถนักพืนอย่างนีอบอุ่นใจขณะที่รถซิ่งและไม่มีโอกาสที่จะพัดตกไปทางไหน การที่เห็นมนาะลงรูปนามเบื้องต้นก็เหมือนอันันมันอบอุ่นมันถูกต้องมันเครื่องมั่นในการกระทำของตนมันเห็นเงี้ยมันพ้นภาวะเกา่าจากความที่ไม่รู้มันเมาเป็นการู้จากความที่ไม่เข้าใจมันเป็นการเข้าใจถูกต้องลงตัวเราก็เลยไม่หลงผิดลงผัน อ า, ารมณ์เลือกนามมันเป็นเรื่อง ต, ต้นสำหรับผู้เจริญสติสัจจายต้องให้มันเห็นนัะนึกก่อนอ า, ารมณ์เลกนามมันจะไปจบอยู่ที่เรื่องของศาสนาเรื่องของพิธีกรรมเรื่องสมมติเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาป เรือเรื่องเทวดาเรื่องสมมุติต่างๆมันตกทิ้งเห็นบันไดมันตกที่แล้วในน้ำผ่านไปคนที่เห็นโลกนามจะมีกามกลัดถึงใจแน่ๆเที่ยงตรงปฏิบัติตรงคนที่เห็นโลกน้ไม่ผิดความเชืยอเล้วไหลต่างๆความลังเลสงสัยอะไรต่างๆ มันเป็นอารมของกาม า, มาิิตรกามพิจิตรเกิดขึ้น่อนนี้นตอนที่เราไปเห็นรูปหนาแล้วรายละเอียดเส้นทางของวิจารณ์จะเข้าคามเสร์ตจะเข้าไปสู่คองเสิรยิงจะผูกกล้องจริงๆแล้วเราจะนั่งรถเข้าคอนเสร์ตไปเดินไปยืนอยู่หน้าวัดก็จับรถขันหน้าไปทางที่ป่าร ก็จะนำเราไปถึงรังหวัดทันเจี๊ยบตั้เป็นอารมณ์โลกนั้นเป็นการได้ต้นทองอันถูกเชื่อมั่นอย่างนั้นมีความรู้สึกนึกคิดหนักแน่นมั่นคงไม่เชื่อหลงงมงายอะไรตั้งสๆเป็นสมาธิทพิเศษขึ้นเไปมีสิตใจละกับบุญใจนั่นเอง ไม่ลังเลงกังวลจิตใจมันจะเปลี่ยนขึ้นสูงขึ้นพ้นภาวะเดิมร่วงภาวะเดิมการที่จิตใจมันร่วงภาวะเก่าพ้นจากภาวะเก่านั่นก็จะว่าวาิสพ์สันเองเดินทาสว่างเดินดวงปัญญาขึ้นแก่เราเพราะว่ามันเป็นการสวานน่างนะฮะเข้ามาประมาณับ แสงเพียนแสงเทียนแสงตะที่ที่มองเห็นอะไรในรอบตัวเราเป็นอันต ร, รายที่จะมาสูเราเป็นความผิดความผูกมันเป็นแสงสวน่นงน้อยๆก่อนไม่ใช่วิปัสน า, ไ ม, านนม ไ, มไม่ใช่การเดินจงกรมไม่ไม่ใช่กันสร้างจังหวะแต่วิธีเดินจงกรมวิธีสร้างกันวะมัน มันเป็นเริ่มต้นเอวริปัจจานคือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากที่เรามาเจริญสติ้าเดินทรงผมมาสั้างแต่ว่ามีสติรู้ีิ่งมืนดำแต่ให้ผลเป็นตัววิจสนาคือปัญญาเกิดขึ้นพอมันจบอารมณ์รูปนามแล้วก็มากำหนดดูความรู้ พอเราเรียก ว, ว่ารูปนาที่ตายกับจิตจะมีสองอันเราจึงมาเด่งส่วนมาดูความคิดแต่เอาความรู้สึกมาอยู่ที่ตายเชื่อไหวมันจะมีการเชื่อมไหวสองอันแล้วตอนนี้คือความคิดการดูความคิดมีสติเข้าไปดูความคิดเขาเรียกว่าบำเพ็ญควางคิด เอาสติปคิดเอาติปมันคิดพอมันคิดก็รู้ทําทันทีพอมันคิดจะมาก็รู้ทันไม่ใช่ไปตามมันและไม่ใช่ไปห้ามมันเพียงแต่เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของใจของจิตที่มันจะเคลื่อนออกมาในรูปแบบอัไรเรารู้ทันนี้ยก่อนคิดเนี่ยมันเป็นคำตัดสินมันต่อมันเป็นคำพายเลย ไหลไปสันติมันเกิดขึ้นพอแรงจิติไปลู่ความคิดมันเป็นสันติมันไม่เป็นสันติมันไม่สื่อต่อมันก็ยกพลขึ้นบกพอทําไปทําไปจากสันติมาเป็นสัติมันสงบมันยุสัติประธานมันจะไปสงบพ่วงแะงมันพอมันคิดก็รู้สึกทำชีวิตานี่ย พอนั่งเลยจติถ้าเกินจะนั่งไปในใจเอมันทําไมมันคิดมันคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวก็น้่งไปวันคิดจะดึงออกไปที่ถือจะให้มันรับจะให้มันสั้นจะให้มันเป็นสนติเราก็ทําหน้าที่เพียงว่าพอมันคิดรู้จิตสันแต่คิดดีคิดไม่ดีคิดดุคิดโกเอาองไรก่ เพ่อจะเราจะมาเรื่องสติธรรมทันทนีนนทันใขึ้นูงเท่าูทั น, นโดยเฉพาะที่เรามาอยู่จุดวันเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคลงสน า, นามก็ต้องลงเต็มที่ต้องฝึกเต็มที่เพื่อให้มันสติมันร่องไวถ้าที่มันคิกขึ้นมาเะรูดันขณะที่มันฝิกขึ้นมาเะ็นูดันตอนนี้บางคนมันจะส้งยึดเป็น บางทีมันไปกปกบคงพ้อลูลดูเบ็ดเย่างไปกบคงข้หลูลมอ่งคือตัวของกบควรเรื่งคิดเริ่มโผล่ทั้าจะไปกบคงข้อมูลว่ากินไปยื่อเมื่อกบคงข้อมไปดูววีปชนน์เปิดข้อมสงสเปิดข้อมเย็นดีอ๊ดีใจ มีสติมีสัญญารู้อนันตรู้หนึ่งรู้ไปไหนนั่งรู้นอนรู้อมยิ้มอยู่ตลอดนีคิดไปค้นผู้หนึ่งคิดไปบอาผู้หนี่งคิดบอกจังกันคิดสอนจังคี่คิดเห็นดีเห็นหน้าน้ำตาไหลตกลงกันนัากไปบอกพดก็ล้นกันหมดเลย อาจารย์จะประกาศใหเขียนเป็นมันสือสิ่อสืทั้งคนที่รอดทั้งที่ผู้ทน่เสื่ทั้งแต่จบผมช่วงอยูเขาเรียกว่ามีปัสสุโนหรือกินไปด้านบางคนอาจิเท่เลยแต่ันไดในลักษณะนั้นข้อดีจักขรงมันจะติดเสียเวลาีปัจสโนมันเป็นทางเง่นกันถ่เชื่เวลาพ ถ้าจะบดูวนถ้าจะบดูควนให้ถึงให้ถึงค้นหมายไปท้างของสิ่งเขาจะจนากำหนดกายเคลือนไหวให้สติดูต่อไปนั่นจะไปเห็นอารมของปรามาภะวัตวัตถุปรามาภะอาการวัตถุปรามาภ อ, อาการของกายของสิ่ มันนี่ปฏิบิณญานี่ลูกนี่ลดี่อายตนะนี่ตานี่หูที่จมูกี่ลิ้นีตานี่มนี่ลูกที่รถนี่จีนีเสียงเป็นปูเป็นปูเห็นกองสังขาเห็นตีต่างเห็นทีเต๋เห็นตีเห็นตีของมันอาการย์ามันจะเกิดอย่างนีหละมันจะมีผลกรบเท่ท่านเรา เรยกว่าตลธรรมอถ้าร่มกลมรรมที่ของสี่ะมันมีอยู่กับคนนิสิติจะหน้ารอบลลดในด้านนี้รียว่าขอมรอโลดในกองสังขารเห็นสังขารเห็นสัมเห็นความคงแต่งเห็นมันเกยบมันไว้มันก็ขึ้นต่าง่างสติจะไปดูทาสัมปชิให้เป็นสันปิีตทสังขารให้เป็นวสังขา ลวงฝนเนี่ยน้องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลวงฝนเลยนี่ยขามร่ล่าถ่าโอชะเนี่อันที่มันเป็นเชิงปุงแตมันตอมันเต็มมันปุ่งนมันติดช้๊งชึ้นมันเคลนไหลปกติแบบนี้มาทีแต่สมุดตีเล่ยหลุดเลฝนความพลงเล่ยของสายจะเตี่ยงถึงปกัน เหมือนกับแสงดีออกรอบลูกอะไรรอบลูในกล่องกันธ์ไหนจคขอมคิดเึ็ดข้อมโล่ความโกรธข้อมโลงบ่ายอาทีตตั้งบทตีแต่มันไม่ไอุนมันไม่ห้าวข้อมรูกอันนี้เ <c oughs> มื่อเข้าไปเห็น อ, อารมณ์ทางกตธรรมติอุปมาเหมือนกับ ฝายขามันเป็นกันยาย่ามยามันยมามแน่แน่เระถิตันแจ่ตาเต็มที่เื่อกับฝายขาดเือเก็บน้ำที่เก็บน้ำหลหลายๆ้ำขแล้วเจ้าฝายขาดงามแน่แนไหลพัดต้นใหม่พัดบานพัดเยื่อขั้งทะไล่กันกที่เป็นตัวนสับ ที่มันเกาะันเดียวมันเลยรูดเตยรูดเตยก ต, ตยเพราะเ็นไฟนสุกิุนไฟสึดรุนแรงพวกโข้างหวังตโป่งอาจจะเหี่นข้นอัดเอาต้นใหม่พัดเอาพอนที่มันหมดสะอาดตานน่างปนน้ำมูกเลยไปเอียงไปก็ไม่กันต้ น, นมนันไงมันยังหักดิหากปอยหากแข น, นหกัก ขาจไว่าเรือหากเกี่ยวแต่า <c oughs> งทีบางทีสามสิบที่ถ่ายมาได้ใ <c oughs> ส่ก่อปลอมในถุงเทแต่จะพาขี่รถไปแถวบางสักทีแถวพาถนกแถวมาทีายร่างคำแผนเึ้นมันสี่ะเปเพราะนั้นมันก่อการเสนอ ม, มีก่อการแ น, นแล้วก็มีต้นไม้ยอยู่ตามกอะแล้วก็หงพ่อไปเห็นต้นไม้กันน้นตักเยอะยุติแคห้ า, หาย่างลงดีแ้่ห้าล้อยมดเจแหละไม่มีดิกกนาา ก, ก่อคุกม้ามันกังกินตัวปัญราที่ไปทำารยย่ทุกมีดนีน้อยบดไป ปัญญาที่เป็นตัววิกัฒนามันเป็นการบำคัดสุมเมื่อมันปัญญาเพื่อไปพบไปเกียวคุณอะไรมันรุดกลแบบน้มันฟาดแบบนี้เหลืออันนึ ท, ท, กกที่จิงเหที่หักเกี่ยวาาอีกที่จิ้งมันก็ติดคนแหละนี่ก็มาติดตัราเลยมารบำเพ็ญท่านสิทิต่อไปนี่สติจะไปดูพี่ก้อนนั้นนะ ไราเห็นข้อมจิตโอ้มจิตนาจะเรียนรู้ที่ที่แท้เขาว่าเขาบ่เขาบริสทิเข้าดูน้องข้อมจิตเข้าบริสุทธิ์การเห็นค้มจิตเว็นล่มกจะเห็นน้รมโล่น้เห็นรมเป็นนนันเห็นขอมจิิดก่ตอนนั่เห็นข้อมจิตแับแก่งนะมันคนหลังแย ตัวคิดนั่นก็เป็ น, นงงตัวนียกันแตเห็นคนคิดกับฉันมันกรว่างมันมันสะดุดก็เห็นต้นคิดที่นี่นั้นไปเห็นอุนสนับอุส น, ส น, สนไปเห็นอีนกขณะโลภะโทษสะอองลาภเงาของอกุสนมูนลาภเงาของอกุสมูล กูชนหรือกูชนก็เห็นโลกะโทษะัเองเหมือนกับว่าเห็นตนใหม่ที่มันขัดเอาหัากก้อยหักแขนงไปเดือกระหัเกี่ยวอย่างอยูไปเห็นโมหะ <c oughs> โมหะ น, นี่มันเป็นทองอยู่กลางๆที่จริงันไทยน้วงคอยเสียนงคอยเสียนโทษะโมหะ โลกะโมหาติยุกะตัวโมหะนี่างนันก็ว่ า, า, ม, า ม, มันจะเอียงไปทางใดก็ได้ความทริถ้าเหตุปัจจัยนี้ท่านไหนก็ไปเท่าหรตัวโมหะยุกกะรากเงาของอากุศลมุน่นถ้าอากุศลมุ่นเาน่าหนีมีอยู่มนึ่งสองสามสิกก็ดี่โลคะโมหะเอาอากุศลมุ่นมุน่นอันเดนผิด ทับกนัเกิดที่เกิดเป็นแล้วกต่ทจะเล่นะมาเพราะนีโรคเพราะควมไม่มุที่ี่ที่นี่กูส น, นมุลคือตัวโรคผาต้นะติจเด่นทา่านดะูสิสติจะเห็นเปเ็นโลคเห็นโมนะ่โอ้กูสนมุลคือตัวสติอันรอบ กิดสติมันก็ได้ดูหลอกโอกุศล อ, อกุศนก็ดีมั้หมายถึงควา ม, มีิสติมันเป็นสิอกุศนกันดีสติมันเป็นรล อ, อกมันเะป็นนาหลกเพราะว่าตัวสติเป็นตัวบุคคลเมื่อสติมัอยู่อันโมาหะก็ะบอกคุณทำนี่ได้ไหมก็เห็นลักการนี้ ดูแ้่เห็นแบบนี่ยึดติดเตียนยูลุบคนดูมาดูจะดูอาการเจ็บ ด, ดับของหน้า ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันพอเห็นตัวเอพอไปเห็นล่าเงาของกุศลนุน่นล่าเนาของอกุศลมุ่นที่จะตีตไปท้ำด ม, มันไปเห็นอาการเจ็บ ด, ดับของาน้ามโน อาการเกิดดับของโูกน้ามันจะเป็นยังไงอาการเกิดดับของน้าลูกเป็นยังปัญหาที่ต่้งประเทาที่ต่งประีทศที่พ่ที่ห้องปฏิบัติงานบระมาณที่ี่ที่ห้องเพื่อนลูกที่บาลไม่มันติดรอเปล่มันต็นตัวที่เลยก็มันหลูดด้อเปลมันติดมันทาได้มันทดเกิน มันเห็ดเส็นมันรู้หลอกมันหลอกการรู้หลอกตารแบบนี้จะน่ามีคล่มหลอกของกิลปะของกันจะเร่ลป่นมันรู้บบมันติดมันทาเป็นโอ้ดีของคนนมันมาจบกี่ันนี้เัวนการจบสิ่งความผูกขนี้หมดสิ่งคละเลจสงใจบอนี้ ตินอื่นที่ทำอีกปรมานี้มันลุดเบิดเบ็ดตัวมันกระบอกมือแบี้มันขี้มันดิมันขี่ค้อมี้ขมหมดตินเบ็ดย่างเนื้อเบดหน้ามันแห้งเจก้อนเ้าอยู่กัข้อเสียเ้าบอกไสัมผัสก็ข้อมแห้งก็เสีย มาเท่ามาเลยสัมผัสไปร้อมหนึั่นเป็นยังไงครับมันม่ค้อมนึ่งมันทเต็มมันค่ำเต็มมันเห็ดเต็มมันก็ค่ยมันเกลือนเกลือาดเตีย่อนแต่เมา่อใดเมื่ไหรไหนึ่งมั่นเป็นยังมันโมระท้ายเกลื่อนมันสบายมันเป็นการสัมผัสมนเลยมีข่อมหลอกมั่นเป็นการมั่นเป็นนานหอก มันเปลียงเต่ามันลุดหลอดลุดก้นออกมาตะกอนท่านองค่าเปียนตอนนี้นมั น, นไม่ลดแต่พับบงอยู่กับก้นตะกอนเั่งอยู่ในน้ า, นานเอาไรียกเป็นยกนการสัมผัสกั บ, บก้นบกกับกนแห้งกับที่บริยู่ใน น, น้ำอันนี้ไม่เป็นลดขาดเป็นการสัมผัสท่านใดท่านเนึ่งิตีจชอบปฏิบัติ บ, บอมันเพ็นลูดเหรอ ตัวจาชนะจริง่มันหน่นเป็นสมมติตัวผลมันคือสตายได้ยังไได้ให้ได้สัมผัในชีวิตทำมันนี่แหละจะเล่นแบบนี้แต่มันจะเป็นตัวจิมันจะเป็นตัวจริที่ปฏิบัติแบบนี้มันเรเื่มเอาความรู้ท่ารู้ชี้ๆมันแบบเป็นให้เห็ดจริงป็นจรินๆแต่จะเล่นแสบที่ตัดาน เกลียวที่จุดหนุเชื่มกระโดแสงกวางกระโดชืลูกลู่ไปลู่ไปจ้าแส่งเที่ยงเป็นแขงมีอ่อนจาาแข่มีอ่อนเป็นแข่งพาดพันธุ์กวางเย่จนนิตพภาพแเลยก้าทันกระตายห้ามันแจงห้าเด่นปไยกระโดดต่ากว่าตหนาโมจอดุดหนักต่อเป็นทีทีลาเกลียด ลดผลไม่ผ่นานละหมดจิดหมดใช่ะที่เรานี้มันต้องไปจบกับใหานี่ละเป็นของพิเ็ษเป็นพุ่นพาของคนเทุกชีวิตจะต้องมากะจบกับเานทุกคนท่านใดทุกคนขอนยกเว้นส็ได้เอเมนเละทุกทีบ่าบ่าเยีบฟังบลูเลยท่านี้เราเป็นุ่นพาั n o าพยายามใส่ใจที่นี่เขาลงมาตั้มธาเป็บบนพระองค์สดแต่นอยการเรียนญาของพระประเุเต า, า, า, า, าทั่นีเขามาท่ำเป็นญาติได้เลยถาทําเป็นญาเหมือนกาเขาศึกษาทางโลกที่สุดของการศึกษาเขากลับไปจบญปติญาจบกับเตย เป็นปุถุชนช่องเป็นพมนิชม่ในหลั ก, กที่ข้างกันที่เขาถาดูประร ก, กทาาก่ า, า, าทนเติเจอนอนี้สาว่าถ้าเาประเด็รกเญาิางกําหนดดูโดยการดูแต่ที่่จะติกําหนดดูโดยสายโดยสายที่มันเปนเราไปหนามี่เป็นยากเลยมันหูหลอกหูหลอบหูหลอกหูหลอก กำหนดรู้้วยการรู้ญาติสันญากำหนดรู้โดยการปุ่นเ่องใจเากำหนดรู้โดยการรู้นี่เหากันนั่งท่อปรอยมันลอดมันหลอกมันลดมันลอกมันกล่นมามันเพียนงารากายเสไเหารู้ใจจิตันท่องจะรู้มันเกบอยมันหลอกยมันสั่งบวชจิตมันบ่ต่อมันบวเป็นสัตติมันเป็นสัตติกีสันติ พอท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางของนมนุษย์มนุดหลอดออกมากทุกที่นี่เราญาติจะเป็นญาติพระอาชา้นาก็นลดลายเปจนไหดูใจจิตนิรุตเท้ารู้ท่านนั้นคุอลอกความจะหน้านีคุ้มลอกอันหนึ่งได้ยี่สิบใจถึงสินลักตะยเป็นอัตโน ม, มัติข้อที่สองทีลักษณะอุญญา กำหนดดูดการหลโกยเอกกำหนดดูดการเกิดแกนทิจรณ์ห้าข้อห้อกำหนดดูทอะไรมันดู้ต่อไปนั่นก็เป็นการรูดผลเกิดแ่เป็นโดเป็นแก่เป็นภูบเป็สมุทจนในที่สุดจบพานน้ำเขาเรียกว่าดีรณะลิยากำหนดดูดการพิจรณ์หน้า ะที่ลู่มันก็เป็นการที่เขาหน้าหลอกอยู่แล้วแต่มันทำหน้าทีโลกมันทำหน้าทีเล่มันมันมีตกวิจัิที่จุทุกเออตะขะตัดกูเด็กขาดเะตะขะตัเข้ามาเลยดูรอกว่าขณะนี้มันโดนในขั้นไหนแต่ผมให้ขั้นตีย่ยขั้นตีย่อยขั้นจับตีไปท่านปั่นจับไปขั้นเข้ามาต้องลู่หรอกเออมันลอกยู่ในตัวมันเลย แต่ก็หนดลูดูกันดูมันกับพันไปเลย่านดู่ตพันดูจันพันดูสี่พันดูอะไรเนี่ยมันเป็นพระมิจฉุอยู่องทีมันตกลงมากจากอันตกมาถึงดีขนะที่มันพันมาเนี่ยมันเขาบริจาคบรจากพุดจหนี่งใสองใจกวางต็แต่พอมาถึงทีแลังกาหนดดูเขามาเห็นตัวทีแบบารรักเขากว่า อดทอมมาชานตุนติยะชั่นตัดติยชั่นเจตุติชั่นปัจจะชั่นท่านถึงนี้ประสบวิการจ์ติดติดลูกเอตเทศะเราประสกวิการจติดติดกนั้นีน่สติอยู่เดียร์เขาเลยมาเห็นตัวอยู่แบบขณะเที่ยนี่สติก็ไปดูอา่ากายเคลื่อนไหวเห็นใจมันติดนึ่งรู้เท่ารู้ท่านนึงก็เรียกว่าเขาได้ท่ำหลอกเด็ลอกเด็มันานหน้าที่เด็ ปัญญาสามญาติญาติญติลปัญญาปานาปัญญาทั้งสามมันหลอกถ้าเท่านีสติดูมันหลอกมันจบหมดเลยปัญญาทั้งสามมันหลอกมันลดมันผลปานาริญญานที่สามมันลดมันผลอะไรมันขาดรักมันขาดมันปานาปัญญาทั้งขา มันเป็มยาพุ่มกำเนิดของผูกเรือสติจากสติ น, น้อยๆธรรมดาเป็นสติปัจฉันเป็นนะสติปัจฉานมันพุ่มกำเนิดดังที่ไ ด, ด้บองเค้ื่อนว่ามันส่งขะลงอันเดียวมีเบิ้งท่านสอนทั่านมีมันก็ร้อยสร้างเป็นสัตว์ยังไงร้อยสัตว์อื่นจะ ต, ต้องมาลงจรงขณะที่เรามีความรู้สึกอะไรได้ เห็นกายเป็นไรเห็นแต่จิตไงมีแต่ว่าเขาทำหลอกตัวเองทำตัวนี้ให้มาจะเล่นตัวนี้มามันเป็นตัวเองอย่ไปหลงแล้วไปเสียดายอยู่กับคนหลูที่ตกที่จานเอ่อเร่องใจเขาไม่สติให้มันท่านอย่าไปบังคับมันจิตใส่เขาสติจิตตั้งหัวมันจะว่าเขาเพี้ยนเป็นผู้หลูสติมันสีแจ๊ก้ามันสีมี่สิบพอฟมันสิบถ้ามันติดต้องใสแต่ว่าไม่คิดสิใดเขาหลูที่นั้น ก็เรียกว่าได้ท้ำหลอกท้ำหลอกนะแค่ไปหามการไปหามความคิดนั่นที่เป็นสมาธาโผเกิดปัญญาโผ่เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาลูบข้มโผล่ัดแจ่โผล่จริงก็เลยทมผัดจริงสังแล้วนั่นที่เทามาได้ทุกกรรมฐานน่าจะเริ่มวิปัสสนาแล้ ในคมุมอบอุ่นใจถ้าพูดตามความรู้สึกของผมเองเป็นเป็นพุทเป็นที่ทุทธของการแสดงหาผู้บาอาจารย์อีกเนี่ยเพาะได้ไปแสดงหาผู้ใดเพราะได้ร่งเลขของไทยเรืงใดทั้งหมดถ้าจะพูดตามหลักความรูก้กับบเคยเรียนเคยอ่านเพราะได อ่านก็ได้ศึกษามาประหยัดง่ายหน่อกแต่บอาใช่ก็บอกแตนเรื่องหนึ่งเพราะรู้เรื่องนี้เข้าใจได้บริารควเบาบริกรรมคบเบาของตูลินบกว่าออกจากควมรู้จิตของตัวก็จะบอกยังไงก็เป็นเรื่องของใจจำเรื่องหมดควบเบาจำหนึ่งนะบอกจนมวลน่านไหลใส่หัอันนั่นก็เป็นเรื่องของใจแต่ว่าผมเบาเรื่องตุลน จากที่วิจิตรการการสัมผัสที่จริงที่จรอนี้ื่อกั น, นกับตนต้องพานไม่หาตัวถ้าพวพานไม่หนึ่งไม่เป็นทงังสิ้เพราะพอาะทำขั้นตอนของอุเยเป็นทงังสิ้เป็นทางหมดไปละไม่มีจิตอื่นที่เหตุที่ทำอีกต่อไอันนี้บริสัมบ่ิสูจนจากสมรสมาน เหตุใจทุกคนผู้ที่รู้หนังสือจะสร้างโมลูหนังสือจสต่ผู้ยิ่งผู้กล้จะต่นี่อันเดียวน้ที่จิตใจอเราเนเดียวทราน้่างคือจุดของหูนี่ตรงนี่ศาสรนาสุดเป็นตัวบรรยาเข้าไปตํางัิมดใชหมดสิ่งในจิตอ่าที่เกิดทุกข์ทั้งหลายทคนผู้เท่าก็เห็ุใดผู้นนกันเหตุใดเรื่องที่จะได้สิ่ทางนั้น กำนหนดหลุดแล้วก็เป็นลักษากลสติปัญญาเป็นลักการของการปฏิบัติแบบสากฏเขาเยื้ใสจะเยื้อแน่ห้องกลับไปบ้านจะยื้น้ำลกน้ำหลานสติจะมาขันอยามันกเ็เยื้อหอเมืเ่อเากำหนดเสร็มนจะมีหลดุดพอมีหลุนมีน้ามีสาสมีใจยืนโดยสติมันก็อยู่กับห้องบ้นแมา่ห น, นองมีวัดอันนี้เป็นปฐมมณฑเทืเบื้องตน เมาหาวิธีท่าำเมื่อได้รักแ ล, ล้วก็เป็นเหตุบังโพลังคณไปเข้าใจอยู่กับอริยบทในการเก็บป่ายตรงนี้สมัยตั้งแต่ยัง <c> ว <oughs> ังเลยไปไปถามในออกถ้าววังเล่ยชาวเชอดเชื่อข้างในไทยเต๋อให้ทยป่าไปเข้ า, า, ขาใจธรรมะอยู่ ก, กับการเก็บป่ายดูกายเคลื่อนไหวในการเก็บป่ายจนสติดงขึ้นมา เต้นขัทนนดทำไมรุดหลอดรุกคนทำไมมั น, น, น, นเป็นสาเหตุนอกลับไปบ้านไปยูน้ำโลกน้ำหลังขันติดทางหน้านปุ๊บซีเรียนหนังสือแต่นี่สติเป็นการประดับชีวิตใหาตลอดมันมีฮำว่าศึกษามาปฏิบัติช่วงระยะสั้นการเดทมันเป็นการควยโอกาสหาสิ่งเด็ดอดองให้เห่า ล้วก็ววสิ่งแวดล้อมควรเขาจิตส่วยโอกาสใจในี่คือได้ต้องไปศึกษาเนนสียทาหนดถ้าเาหาสิ่งแวดล้อมบ่อยใดไม่อีดยินการหามุมในบ้า น, นที่สงบก่อนนอนก่อนหลับกำหนดส้างให้ใส่ให้เป็นนิสัยเป็นตะไจยืนต ร, นรง้งต่อปส่างการเราให้ฟังแต่ท้อไปปฏิบัติ มันแก่มันเห็นแกลดแล้วฟัง้งเราจาเราจำฟ้องเบาเอาฟ้องเบาเนี่ยไปทำมันเกิดนี่แกห้าก็สิเิดปฏิปัญญาดูแก่เห็นสีเอาให้กันวรรณะแก่ห้านั่งแต่ิดปฏิบัติเอาเองอันนี้ตอนเก้าวนาันนี้ตรงกวนแกเป็นมาขอจบการปรดในตอนเก้าไป้แต่ก็เพีง